เสาหลักกรรมฐานตั้งวัดป่าบ้านตาด้วยเหตุที่โยมานดาล้มป่วยด้วยโรคอัมพาตท่านจึงพากลับมารักษาตัวที่บ้านตา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 2,499 เป็นต้นมาเมื่อได้อยู่เป็นที่เป็นฐานทำให้พระเนรต่างหลั่งไหลมาอยู่กับท่านมากขึ้นในระยะแรกๆท่านจำกัดจำนวนไว้เพียงแค่ 1 7 1เจ็ดสิบปดองค์และคงจำนวนไวเ้เช่นนั้นอยู่หลายปีคือตั้งแต่สอง9มาจนกระทั่งถึงสอง9 2 5ห้าอยสาสองห้ายี่สอย่างไรก็าตามเมื่อครูบาอาจารย์องค์สำคัญสำคัญต่างร่วงลับไป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 ป่วยเพียงกายใจแจ้งกระจาง ในวาระสุดท้ายก่อนที่โยมมันดาจะจากโลกไปท่ามกลางทุกขเวทนากลา้าที่พร้อมจะให้สิ้นชีวิตได้ทุกเมื่อท่านได้เข้าไปเยี่ยมและถามว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างโยมมันดาได้ตอบว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จริงแต่ใจนั้นใสสว่างกระจางแจ้งอยู่ตลอดเวลา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 เมื่อมีอายุย่างเข้าเก้าสิบสามปีตรงกับวันที่สามสิบพฤษภาคมพุทธศักราชสอง5ันห้าอยี่สิห้าและด้วยเหตุนี้เองในทุกๆปีของวันที่สามสิบพฤษภาคมวันทำรรบุญโย ม, มานดาท่านไม่เคยละเว้นและ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 ฉลองกึ่งพุทธกาลย้อนมากล่าวถึงท่านพลีวัดอโศการามซึ่งชาวจันทบุรีเคยเอาเรื่องการเทศน้ำไหลไฟสว่างของท่านไปเล่าให้ท่านพลีฟังความเป็นจริงแล้ว ท่านทั้งสองเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วสมัยที่ท่านอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่ดังคำกล่าวของท่านหลวงตาว่าท่านพลีมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ชาญชัยมากในการประคฤตปฏิบัติและท่านเคยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นมาตั้งแต่แรกเริ่มโน้น จนกระทั่งได้พลัดพรากจากกันทั้งหลวงปู่มั่นและองค์ท่านเองก็เคยไปมาหาสู่กันเสมอเท่าที่ได้สังเกตในเวลาท่านไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นที่วัดบ้านนองผือนั้นรู้สึกว่าหลวงปู่มั่นแสดงอากัปกิริยา เต็มไปด้วยความเมตตาอย่างมากมายเห็นได้อย่างชัดเจนแม้ท่านจะไม่ได้พักอยู่วัดป่าน้องผือเป็นเวลานานก็ตามแต่สถานที่ให้พักสำหรับท่านพ่อเหลี่เรานี้ท่านเป็นผู้สั่งเองว่าให้ไปจัดที่นั่นที่นั่นคือในป่านอกบริเวณรั้ววัดให้ท่านหลีได้พักสบายสบาย เพราะสงัดดีกว่าที่อื่นๆคำว่าที่นั่นที่นั่นนั่นหมายถึงในป่าลึกๆโ น, น, น้นแล้วก็สั่งเราเองนี้ให้เป็นผู้ไปดูและจัดสถานที่ที่จะให้ท่านพักหลังจากนั้นท่านยังตามไปดูสถานที่พักนั้นอีกด้วยนี่ก็เป็นเหตุให้ประทับใจไม่ลืม และการให้อว่าสั่งสอนในสองสามคืนที่ท่านพักอยู่นั้นรู้สึกว่าประทับใจอย่างมากทีเดียวเพราะครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านและเป็นที่เมตตาเป็นที่ไว้วางใจของท่านนานๆจะได้ไปพบกับท่านกราบนมัสการท่านครั้งหนึ่งและได้สนทนาธรรมกัน ท่านจึงได้สนทนากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธทมทุกขั้นตอนซึ่งยากที่จะหาฟังได้ในเวลาอื่นๆนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ลืมไม่ได้เพราะหลวงปู่มั่นนั้นแสดงอาการอันใดออกมาย่อมเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยความหมายที่จะยึดเป็นคติได้ตลอดไป ไม่สักแต่ว่ากริยาที่แสดงออกมาเท่านั้นแต่เต็มไปด้วยความหมายนี่ท่านพอลีก็เป็นลูกศิษย์องค์สำคัญองค์หนึ่งของหลวงปูมั่นเราจากคำกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าท่านพอลีรู้จักคุ้นเคยกับท่านตั้งแต่ สมัยอยู่บ้านหนองผือแล้วต่อมาเมื่อท่านเริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาดได้ไม่นานปีนั้นเป็นปี2 5 0พครบกึ่งพุทธกาลท่านพอหลีจึงได้เตรียมงานฉลองพระพุทธศาสนาขึ้นที่วัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการความตั้งใจของท่านพอหลีในทีแรก คิดจะจัดงานนานสองอาทิตย์แต่ก็มีเหตุให้ขยายวันเพิ่มออกไปเป็นปกติธรรมดาเมื่อทำกิจการงานใดปัญหาในงานนั้นย่อมเกิดมีขึ้นไม่มากก็น้อยหากต้องอาศัยคนหมู่มากเข้าร่วมงานกันด้วยแล้วการตกลงกันในงานเพื่อจะให้มีทิศทางเดียวกัน ยอมเป็นสิ่งจำเป็นมากยิ่งขึ้นไปอีกนิฉะนั้นปัญหายุ่งยุ่งพอให้รำคาญใจย่อมจะเกิดขึ้นได้โดยง่ายแม้ในคราวจัดงานบุญครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันพอเริ่มงานได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง ก็เริ่มมีปัญหาบางประการเกิดขึ้นคือจำนวนแม่ครัวมีไม่เพียงพอปัญหาเท่านี้คงไม่ใหญ่โตอะไรแต่เมื่อขยายผลมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาอื่นๆอันเป็นกิ่งก้านสาขาตามมาจนเป็นเหตุให้เกิดการโต้เถียงกันในที่สุดเนื่องจากยังหาจุดลงตัวไม่ได้งานส่วนรวม จึงเกิดชะงักงันขึ้นกลายเป็นปัญหาใหญ่โตแม้จะมีพระภิกษุครูบาอาจารย์พยายามไปพูดคุยช่วยแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่เป็นผลดีขึ้นแต่อย่างใดบางทีอาจส้ำร้ายลงไปอีกดังนั้นเมื่อเรื่องนี้ทราบถึงท่านพหลีแล้วท่านจึงรีบสั่งเด็กขาดกับท่านอาจารย์เจี้ยะ ไปตามท่านหลวงตาซึ่งพอดีอยู่ในงานครั้งนั้นมาช่วยแก้ปัญหาให้ท่านอาจารย์เจียรับคำสั่งจากท่านพอลีให้ไปบอกท่านว่าบอกให้ท่านมหาบัวเท่านั้นนะไปชาระเรื่องที่ครัวคนอื่นไปแทนไม่ได้โดยเด็ดขาดห้ามไม่ให้ใครแทนเป็นอันขาด ด้วยความจําเป็นอันเลี่ยงไม่ได้เช่นนี้ท่านจึงเข้าซักถามปัญหากับแม่ครัวว่ามีต้นสายปลายเหตุเช่นไรหนักเบามากน้อยเพียงใดเมื่อเข้าใจเหตุผลแล้วท่านก็ชี้ถึงปัญหาและวิธีแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาทำให้ทุกคน รู้สึกถึงใจในเหตุผลและช่วยขวนขวายคนละไม้คนละมือจนปัญหาต่างๆหมดไปงานฉลองครั้งนั้นจึงผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีเรื่องหนักอกหนักใจใดๆอีกคำพูดอย่างจริงจังเข้มข้นของท่านในครั้งนั้นโดยย่อๆมีว่าเวลานี้ พวกเราทั้งหลายมากันในานามลูกศิษย์ของท่านพ่อนะว่าสนาบารมีของท่านพ่อเป็นยังไงเราถึงมาทำอย่างนี้เพราะเราทุกๆคนก็มาในานามลูกศิษย์แล้วทำไมถึงจะปฏิบัติต่อกันไม่ได้ละ่ะทำไมถึงกระทบกระเทือนถึงท่านพ่อหากว่าท่านพ่อมาว่าแบบนี้ จะว่ายังไงล่ะท่านพ่อจะไม่พูดกี่คำนะจะพูดสองสามคำแล้วพวกเราจะแก้ได้ไหมเอาท่านพ่อจะเดินฉากมานูนอาตจจมาจะไปแล้วนะอาตจจมาไม่มีวาสนาบําเพ็ญพาลูกศิษย์ลูกหาพาทำงานคราวนี้ก็ไม่ได้ท่านพ่อจะไปแล้วนะท่านก้าวออกจากวัดไปนี้ เอาใครจะติดตามไปเอาท่านมาได้ไหมถ้าหากว่าพวกเราไม่รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้เวลานี้ก็อยู่ในฐานะที่ควรจะแก้ไขได้ปฏิบัติกันไม่ได้เหรอพอพูดถึงจุดนี้คนที่ท้อกับปัญหาหาทางแก้ไม่ออกก็เหมือนถูกกระตุกใจให้ระลึก ถึงบุญถึงคุณของท่านพอ่อลีที่อุตสาเมตตาแนะนำสั่งสอนให้รู้ผิดชอบชั่วดีพอเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาต่างก็มีแก่ใจแข็งขันคิดสู้กับปัญหานั้นให้หมดให้จางไปไม่เห็นแก่เรื่องขัดอกขัดใจเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องใหญ่ยิ่ง วามกิจการงานของครูบาอาจารย์ต่างขันอาส า, ารับปากรับคำท่านขึ้นคนนั้นก็ว่าได้คนนี้ก็บอกว่าได้คนนั้นรับอาสาจะไปติดต่อครัวนั้นให้คนนี้ก็จะไปติดต่อโรงนั้นโรงนั้นต่างคนต่างจะไปเอามาให้ได้ทั้งนั้นสามัคคีคือพลัง กลับคืนมาอีกครั้งดังเดิม<อ>เมื่อได้จุดลงตัวแล้วความสมานกลมกลืนกันในงานก็เกิดใหม่อีกครั้งแต่เข้มแข็งกว่าเดิมปัญหานั้นก็หมดสิ้นไปกลับกลายเป็นพลังสามัคคีช่วยกันชนิดท่วมท้นเลยทีเดียว คือพอประมาณสองทุ่มแม่ครัวก็ประกาศขึ้นมามีถึงสองอคนครั้นพอสามทุ่มมีถึงสา0ร้อคนพอล่วงถึงตอนเช้าขึ้นถึงได้ส0 0ร้อยกว่าคนและด้วยความพร้อมเพรียงเช่นนี้เองท่านพอ่อหลีเลยสนองตอบน้ำใจลูกศิษย์ด้วยการขยายเวลาออกรวมถึงสามอาทิตย์ โดยไม่มีปัญหาขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นเรื่องต่างๆก็สงบเรียบไปหมดคงเพราะเหตุการณ์จุดนั้นด้วยส่วนหนึ่งเป็นผลให้ท่านพลีสงวนท่านไว้ไม่ยอมให้ท่านไปไหนตลอดระยะงานฉลองครั้งนั้นเมื่อท่านพลีเจอหน้าท่านครั้งใดมักจะพูด ขึ้นด้วยความเมตตาแบบคนสนิทสนมคุ้นเคยกันว่ามหาบัวไปไหนไม่ได้นะยังไม่เสร็จมหาบัวไปไหนไม่ได้นะงานยังไม่เสร็จจากนั้นท่านพลีก็พาท่านเดินไปดูที่นั่นที่นี่ในตอนเช้าเวลาเลี้ยงอาหารกันบ้างหรือดูเรื่องอื่นๆบ้างทำให้ทุกคนในงานครั้งนั้น ต่างเห็นถึงความเมตตาสนิทสนมที่ท่านพ่อลีมีต่อท่านยางเป็นกรณีพิเศษทีเดียว บัวเอาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งที่วัดอโศกรามแห่งเดียวกันมีการประชุมส่งเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วยครั้งนั้นมีแต่พระเถรานุเถระ ครูบาอาจารย์องค์สําคัญสําคัญทั้งนั้นรวมทั้งท่านพ่อหลีเข้าร่วมประชุมอยู่ด้วยทราบกันว่าระหว่างการประชุมซึ่งยังหาจุดลงเอยไม่ได้นั้นท่านพ่อหลีได้บอกท่านให้ร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็นด้วยโดยพูดขึ้นในที่ประชุมว่ามหาบัวเอา้า พิจารณาด้วยความจำเป็นและเคารพต่อท่านพ่อลีท่านจึงร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนิสัยจริงจังเป็นพื้นเดิมของท่านทำให้การพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องนั้น เป็นไปอย่างเต็มเหนียวเต็มเหตุเต็มผลผลปรากฏว่าคณะสงฆ์ต่างเห็นดีและยอมรับตามคำวิลิชัยของท่านด้วยกันหมดวาระการประชุมที่มีลักษณะเหมือนว่าจะหาที่จบลงได้โดยยาก จึงกลับกลายเป็นอันตกลงและยอมรับตามนั้นได้อย่างรวดเร็วถึงใจการประชุมสิ้นสุดลงได้ด้วยดีความเมตตาที่ท่านพอหลีมีต่อท่านอีกเรื่องหอนึ่งนั้นเป็นระยะที่สุขภาพของท่านพอหลี เริ่มไม่ค่อยดีนักท่านพ่อหลียังอุตสาหเมตตาเขียนจดหมายด้วยตนเองมาถึงท่านมีใจความโดยย่อคือให้ท่านประจำพรรษาที่วัดอโศการามด้วยแต่ในระยะนั้นท่านเองก็เพิ่งเริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาดขึ้นใหม่ๆเช่นกันทั้งพระเนนที่วัด ก็มีมากพอสมควรท่านจึงกราบเรียนท่านพ่อหลีไปว่าไม่สามารถไปจำพรรษากับท่านพ่อหลีได้ขบขันพระป่าเข้าเมือง ระหว่างท่านกับท่านพ่อหลีอีกครั้งหนึ่งท่านเคยเล่าแบบขบขันเต็มที่ถึงความเชยของตัวท่านเองดังนี้มันขบขันตอนที่ท่านมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุคโลนะพระปิ่นก้าวนั่นลหละเราไปเยี่ยมท่านแล้วมันมีออดอยู่อันหนึง่ง ออดสำหรับคนป่วยไว้เรียกแพทย์พยาบาลในยามฉุกเฉินเขาเอาวางไว้นี่เราก็คุยก็มันวางอยู่ข้างเรานี่เราก็ไปนั่งคุยคุยกับท่านเห็นออดมันวางอยู่เราไม่รู้ว่ามันเป็นออดนี่นะมันขบขันดีนะขบขันตรงนี้ละ่ะ ตรงพระป่ามันเซอร์ไม่รู้เรื่องอะไรไม่เห็นออดมันวางอยู่มันติดอยู่ข้างนี่เราก็จับมาเห็นมันอ่อนๆเราก็เลยบีบดูเสียเราไม่รู้ว่ามันเป็นออด น, นี่นะพอบีบทางนี้มันก็ไปกวนพวกหมอและพยาบาลนี่นะพวกที่อยู่ข้างล่างก็เลยโฮ่เลยแตกหือขึ้นเลยรุมขึ้นมา ท่านพ่อเป็นอะไรเป็นอะไรท่านพ่อว่าจะเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรกันเนี่ยก็ได้ยินเสียงออดทางนู้นท่านพ่อว่าออดที่ไหนนะ่ะท่านก็ไม่รู้ว่าเรากดมันขบขันตรงนี้ล่ะไอเราเองยังไม่รู้นะเขามาทางนู้นเราก็ยังไม่รู้ว่าอันนี้คือออด เสียงออดมันไปนกวนของเขาก็เราบีบเล่นธรรมดาออดออดออดออดนั่นสีเขาก็รุมขึ้นมาเอ๊ะท่านพ่อเป็นอะไรท่านพ่อเป็นอะไรเขามาแบบตาลีตาลานนะเขามารีบด่วนจริงๆก็มันนุ่มๆเรากดเล่นเราถามเขาว่าเือยอันนี้เหรอที่ว่าได้ยินเสียงออด นี่อันนี้เหรออันนี้แหละโอ้แล้วกันละ่ะเราบีบเล่นอยู่นี้ท่านพ่อว่าหุ่ยทำไม่เข้าเรื่องท่านว่าอย่างนั้นนะท่านพูดเท่านั้นแหละทำไม่เข้าเรื่องเขาก็แตกมือลงไปแล้วนะพอรู้เรื่องว่าเพราะอันนี้เองเราว่าโอ้ยนี่กระผมแหละบีบเล่น นึกว่าอะไรไม่รู้เรื่องท่านพ่อว่าทำไม่เข้าเรื่องพอเขารู้เรื่องแล้วต่างคนต่างหัวเราะกันลั่น